วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าพศจิกายนพุทธศักราชสองพห้า้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันสิ้นเดือนวันสิ้นปีเดือนสิบสองเพนเป็นวันลอยกระทงวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกแห่งหนลูกหลานคงจะสนุกสนานกับวันลอยกระทงแต่สำหรับพวกเรา ถือว่าเป็นวันสิ้นปีปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแล้วกันเนีเป็นเดือนสิบสองต่อไปวันพุ่งนี้ก็เริ่มปีใหม่ทางจันทรคติเพราะพุทธศาสนาเรานับทางพระจันทร์พรจจันทร์เต็มดวงวันทางอินเดียสมัยก่อน แต่ขออขนาดนี้ทุกสมัยนีเนะ้เขาเถิดนะก็ยังถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันลอยกระทงของเขาแต่ในหลักของพุทธศาสนาวันลอยกระทงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นวิธีกรรมทางพราหมณ์แต่เมืองไทยของเราถือว่ามีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธ แต่เขาถือุพรามก็เถอะคาถาว่าลอยกระทงนี่กเป็นเราถือว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ได้มันกับจุดแท้แต่ใจของเราจะน้อมนึกแต่ประเทศอินเดียจริงที่เขารอยกระทงเขาก็บูชาเจ้าแม่คงคาพญานาคต่อเจ้าแม่อะไรต่อไม่อะไรอย่างหลวงพ่อไป ประเทศอินเดียเมื่อสี่ห้าปีให้หลังหลวงพ่อไ ป, ไปเพียงครั้งเดียวนะไปอินเดียไปกราบสังเวณยนยสถานก็ไปไปเจอวันนี้แหละที่อินเดียออพอไปนั่งรถไปกลางคืนไปคนนั้นแหะเขาแห่กันใเรื่องอิุงตุงนังอิลุงตุงนงั ง, ง, นงกันไปตามถนนพอประเทศเขาประเทศใหญ่ประทสุดสองคุณสองคนสองกลุ่มประทะกันที่ไน ทางกลุ่มหนุ่มทังอิสลามทั้งหนุ่มพรามณ์ไปประท่ากันที่ไหนอยู่ทางหน้าเขาก็กั้นลดพวกต่างๆไม่ให้ไปกลัว ม, มันจะอันตรายเราก็เลยไปแกวอยู่ที่นั่นโอ้ยนานพอจมกวรกว่าเขาจะเคลียร์กันได้พวกหนึ่งสนุกสนานพวกหนึ่งก็ไม่เห็นด้วย พรมันศาสนาจะเห็นด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมล่ะไอ้เนี่นกัพวกศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็แห่เจ้าแม่อะไรตัวมียอะไรลงไปในน้ําไปแช่ไปไปไปลงไปในน้ำํำทางนาน้นก็ไม่เห็นด้วยอวัดขาดขวางแต่คนโดยสารอย่างพวกเราเราก็ไม่รู้อินโนอิเนเอพอเราไปประเทศเขานะ่ะอตํารวจ คนของเขากอตำรวจของเขาบอกห้ามออรถผ่านโอ้รถกระยาวเจียดทีเดียวถนนยิ่งแคบที่เมืองอินเดียนะอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเคยไปพบแต่พอต่อมาวันสองวันก็เห็นรูปอะไรตัไม่อะไรอยู่ในแม่น้ำออพดนั่งผ่านไปนี่แหละเขาเออขนมาคข้ก็ๆกา เขาทำรูปขึ้นมาแล้วเขาก็ขนไปเอาลงไปไว้ในน้ำลักษณะอย่างนั้นจะว่าลอยน้ำรู้สึกว่าเกลื่อนไปหมดที่เราเห็นนะแต่ลุงพ่อก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดเจ้าแม่อะไรบ้างลุงพ่อก็เห็นเห็นแล้วก็คือเป็นประเพณีของแต่ละศาสนาของแต่แต่ละปร ะ, ประเทศ เขาก็สรุปแรกก็คือเป็นการบูชานะนะแต่เมืองไทยของเราก็เอามาส่วนหนึ่งปละปลายลอยกระทงแต่ทางรัฐบาลเขาก็มาบอกว่าสมัยก่อนเขาก็ให้พวกโฟมพวกอะไรผลิตสุดเขาก็บอกว่ามัมนเป็นขยะอยู่ในน้ำทำให้น้ำเกลื่อนไปด้วยของสกปรก ถ้าจะทำก็ทำแบบให้ย่อยสลายแบบไปตองกล้วยหรือว่าที่มันให้มันย่อยสลายลงในน้ำได้อันนี้เขาก็ประกาศกันสรุปแล้วก็คือในพกเรานับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักใหญ่เราก็ลอยกระทงไปเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็บูชาสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์บูชาอันไหนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่เป็นสูงสุดเป็นจะเป็นเทพเจ้าเราเทวาจะเป็นมนุษย์ผู้ใดก็าตามอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยจะเป็นประคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารวย์วัยาวุฒิคุณวุฒิที่ทำคุณให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ขอบูชาประคุณท่านเหล่านั้น มันก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันข้อสำคัญในนอมนึกในจิตในใจไปในทางคาระวะนอบน้อมคาระวะทิ้งที่สูงส่งในจิตใจของเราที่มีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติผู้ดูแลปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าไปเจ้าขอนอบน้อมข้าไปเจ้าขอบูชาด้วย การลอยกระทงในคราวนี้ครั้งนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นมงคลในจิตใจของผู้ที่ลำลึกถึงอันนี้ก็คือลอยกระทงแต่ตรวงพ่อเองก็ได้ศึกษาได้อ่านเกี่ยวกับนี่แหละพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนายอุทยานรักษาป่า ในป่ารักษาป่าอุทยานที่ปลูกต้นไม้มีไม้นานาพันมีมะม่วงมีขนุนอะไรครอบทุกอย่างแล้วก็มีต้นไม้ปลูกด้วยเป็นสวนอุทยานประจำเมืองกรุงสวัสถ์ทีนายอุทยานกนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพัะทหารเช้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านถ้าจะรับนิ ม, มนต์ถ้าจะเกิดประโยชน์ คล้ายๆว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านจะไปปลดเวไนยสัตร์ทางหลายผู้จะเมื่อไปแล้วคนเหล่านั้นในคนกลุ่มนั้นจะเข้ามาแล้วจะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์พระองค์ก็จะไปในในงานนั้นแต่คราวนี้ท่านก่อในอุทยานเี่หมวนพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ ไปฉันพัทหารที่สำนักงานที่พักของเขาพอฉันจังหารเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเด็จกลับพระสงฆ์บางกลุ่มก็คงจะศึกษาเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องเกษตรกรรมนายอุทยานก็บอกว่าพระคุณเจ้าต้องการอยากจะไปดูสวนจะไปชมสวนก็ได้นะผมจะให้พาไปชมอุทยาน พระสงฆ์บางกลุ่มเอออยากจะไปดูอยากไปดูต้นไม้แต่ส่วนพระพุทธองค์เสด็จกลับไปก่อดพร้อมกับพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งจากนี้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปกับปลูกน้องบริวารของนายอุทยานก็เดินชมสวนไปเรื่อยพอไปเห็นต้นไม้กลุ่มหนึ่งกระจบก็ะยอมตายก็มีขึ้นก็มี พระสงฆ์งเหล่านั้นก็แปลกใจเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ทําไมไม่ปลูกให้มันเต็มไปหมดอ่ะทำไมมีต้นไม้ตายทําไมมีต้นไม้ที่ยังเหลือนิดๆหน่อยๆกระจุงกระย่างทําไมเป็นอย่างนี้ อ, อุบาสกพระสงฆ์ก็อยากจะรู้ใช่ทำไมที่อื่นเขาปลูกหมดคนเหล่านั้นก็ก็บอกว่าเล็งถอน เออเลีงถอนเอาทำไมเลีงจึงถอนเพราะว่าเนี่ยนะนายอุทยานอยู่ผู้รักษาสวนผู้ดูแลสวนเนี่ยนะในวันนั ก, กษัตริย์เนี่ยวันเดือนสิบสองเพนพอใกล้วันเดือนสิบสองเพ น, เ น, เนพวกพนักงานก็อยากจะไปเที่ยวเอออยไปเที่ยวนั ก, กษัตริย์เหมือนกับเราไปเที่ยวปีใหม่ลักษณะอย่างนั้น มีของละเล่นสนุกสนานหมอลำเล็กเกอในบ้านในเมืองเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จะให้ใครอยู่ใครก็ไม่อยากจะอยู่นายอุทยานเาเออเอาอย่างไรวะแต่ลิงหัวหน้าเล็กนก็พอจะพอใช้ได้อยู่ลงอูลงอูหลังกูตังลิงอูหลังอูตัง ล, ง, ลงใหญ่มันก็พอจะรู้จักภาษาคนภาษาที่เราสอนอยู่ แล้วก็ฝึกหัดตัวสิก็เลยเรียกหัวหน้าลิงมาหัวหน้าใหญ่ ม, มาเอ้ยวังบกตางหัวหน้าข้านี่พวกเราเนี่ยจะไปเที่ยวนักกษัตรินะอีกสองสามวันข้างหน้าเนี่ยให้รักษาให้พวกเธอเนี่ยรักษาสวนได้ไ้ยแทนพวกเราก็ยังทำอย่างที่พวกเราแทนเนี่ยทพวกเราทำนี่แหละนี่มีรถต้นไม้บัก ดูแลต้นไม้ลดต้นไม้นะั่นนะเพราะว่าต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเป็นดอกเป็นผลออกมาแล้วพวกเธอก็ได้อยู่ได้กินด้วยกันได้กินมากกว่าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในขณะที่ดูแลรักษาใกยช่วยช่วยพวกเราได้ไหมหัวนหน้าดีมันก็ทำมุมบุ ม, มบุมมบบรับได้นะเอาถ้ารับได้เดี๋ยวเราจะสอนนะวิธีทำอย่างนี้นะ นี่น้ําจะขังไว้ในตุ่มนี่แหละอันนี้ก็เอาขันนะ่เอากระป๋องมาตักอย่างนี้อแล้วก็เทอย่าง น, างนี้อย่างนี้นะี่นะอ่าทําได้ไหมได้เออเาทําดูสิมันก็ทําให้ดูเออใช้ได้ใช้ได้ทำเลยเอ้าทําให้ตูวดิเจทํามันใหม่ใช้ได้ ใ, ดด ใ, ไใช้ไ ด, ได้เรียกหมูมันมาให้มันบอกแนะนําหมูหมูก็ใช้ได้เออใช้ได้เอ้า อจากนี้ไปเจ็ดวันนะเราจะไปแล้วนะทีนี้พวกลูกน้องบริวารคนงานทั้งหลายเตรียมสิ่งของไปแล้วก็ไปใครไปเราแนตะ่ไปสนุกสนานวันนักกษัตริย์ไปเที่ยวปีใหม่ฮะเนี่ยปีใหม่ของเมืองเดียนคือวันเดือนสิบสองเพนเพราะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นสว่างไปที่ไหนแต่ก่อนเขาไม่มีไฟฟ้าใช่ใชไหมล่ะไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่ไฟเทียนเท่านเอง เขาต้องอาศัยไฟดวงจันทร์อยู่ท้องฟ้าสว่างสนุกสนานดูทิเกหมอลําเขาก็จุดเทียนขึ้นมาตอนนี้ก็หัวหน้ากับลูกน้องก็ไปกันแล้วเนี่ยพอให้ลิงลิงรักษาต้นไม้ตอนี้ลิงเข้ามามันก็รักษาต้นไม้หัวหน้าใหญ่พันกวเออเราลดน้ําข้างบนเนี่ยไม่รู้มันมันก็ไหลออกไปข้างนอก มันจะมันจะซึมซับไปถึงรากมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่นะหัวหน้าลิงก็เลสั่งการใหม่พวกเรานะแต่เราลดน้ำเห็นไหมมันไหลออกไปข้างนอกนะมันจะถึงรากมันหรือเปล่าต้นเล็กต้นใหญ่เราก็ไม่รู้จากมันรากสั้นรากยาวขนาดไหน เ, เราควรจะถอนขึ้นมา ก, ก่อนนะพอถอนขึ้นมาแล้วเขามาจุ่มใส่กระกระป๋องซะก่อนให้มันกินน้าอิมซะก่อน เราค่อยยัดลงไปมันจะได้มันจะได้กินน้ําอิม่มเต็มที่ของมันเราจะมันก็จะจะดีเอาลิงทั้งหลายทําตามที่เราสั่งหัวหน้าสั่งลิงไงหัวหน้าลิงสั่งผลลูกน้องก็ถอนขึ้นมาแล้ก็มาแช่ใส่กระป๋องซะก่อนให้มันกินน้ำซะก่อนเมื่อก่อลิงกินลักษณะอย่างนั้นผกสัตว์กินน้ำใช่ไหมมันก็กินในกระป๋องไง ไอ้ลิยงมันจะคิดว่ามันจะเอาให้ต้นนะต้นไม้กินน้ํำในกระป๋องมันเหมือนกันไงมันแช่ในกระป๋องเสร็จแล้วก็จับยัดลงกุ้งลูกเก่าอีกเหมือนมันก็เหมือนกับลิงทําเลยใช่ไหมยัดไปยัดมามันต้องยัดข้าวอย่างงี้ใช่ไหมเอ่อผลในสุดเจ็ดวันนายอุทยานมามาเห็นต้นไม้ตายไปหมดเลยทีนี้โอ้เกือบจะเป็นลมเลยไม่รู้จะทํำยังไงลิงถอนต้นไม้ เออาจในนี้ก็เขาก็เลยพระในอุทยานเขาก็เลยพูดให้พระฟังนี่แหละรลียงถอนต้นไม้เออก็เลยตายไปหมดเลยเพราะเรามอบให้เขาดูแลเจ็ดวันแต่นี้พระสงฆ์ได้ยินแล้วก็ออแปลกไปก็เลยเขาไปกราบพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูไปไงพวกเธอทั้งหลายไปดูสวนอุทยานของนาย อุทยานไปปลดูป่าไม้โอ้แปลกพระเจ้าขา่าเขาวันลิงถอนต้นไม้ให้ดูแลให้ลิงดูแลสวนเจ็ดวันพอกลับมานายอุทยานจะเป็นลมเพราะต้นไม้ตายหมดลิงถอนต้นไม้เพราะพระองค์บอกว่าเคยมีมาแล้วในอดีตตการนี่แหละนายอุทยานคนนี้แหละกับลิงฝูงนี่แหละเออมันอยู่ด้วยกันแต่สมัยนั้นกันนี่แหละ นายอุทยานก็สั่งลิงอย่างที่คราวนี้แหละให้ลิงดูแลรักษาเพราะนั้นนายอุทยานก็พอไปจะได้น่ะลิงก็ถอนขึ้นมาแล้วก็จับยัดใส่กระป๋องอแต่นายอุทยานนี่ไม่รู้ว่าลิงถอนขึ้นมาเพราะอะไรแต่ตามไม่จริงลิงเจตนาของลิงเนี่ยคือถอนขึ้นมาแล้วก็จับยัดใส่กระป๋องให้มันกินน้ำซะก่อนยังคอยยัดลงไปอีกเพราะนั้น ต้นไม้ของในอุทยานก็เลยตายหมดอย่างที่พวกท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละนี่แหละพระองค์บอกว่าการที่จะมอบหมายให้กับใครก็ตามทำการทำงานต้องดูซะก่อนถ้าหากว่าเราไม่รอบครอบที่เราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้านายของคนถ้าเราไปมอบให้เขาทำงานมันเป็นความผิดของใคร มันเป็นความขาดความรอบครอบสำหรับเราที่เป็นหัวหน้าใช้คนไม่ถูกกับงานใช้คนไม่เป็นใช้ลูกน้องไม่เป็นอันนี้ก็เหมือนการนายอุทยานไปใช้ลิงลิงมันก็บว่าทำเต็มที่ด้วยความรอบครอบเฉลียวฉลาดของมันแต่มัน ล, ลืมคิดว่ามันกินน้ำแล้วมันจะลงได้อย่างไงไปยัดใส่ในพื้นดินอีก วันนั้นต้นไม้เขาจะตายเกินไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ลูกน้องต้องดูซะก่อนว่าเขาทําหน้าที่นี้ได้หรือไม่เขาฉลาดเพียงพอหรือไม่จึงเราในหัวหน้าต้องรอบขอบไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าเราไปใช้เหมือนกับนายอุทยานไปใช้ลิงทําการทํางานความเสียหายเกิดขึ้นก็อย่างที่พก พวกพิกษุทั้งหลายได้เห็นนั่นแหละเพราะนั้นคนโบราณ เ, เขาจึงตั้งเป็นคำพังเพยขึ้นมาว่าไว้ใจลูกเมียตาบอดหนึ่งข้างไว้ใจลูกจ้างตาบอดสองข้างคำพังเพยของคนไทยนี่แหละลิงนี่ก็ในายอุทยานกัไว้ใจลิง เลียงอะไรํางานทำให้ต้นไม้ของไหนอุทยานเสียหายยับเยินเลยเนี่ยนี่แหละเพราะนั้นเป็นกติธรรมอันหนึ่งเหมือนกันสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่มีหัวหน้าที่เป็นเจ้านายที่เป็นลูกน้องอก่อนที่จะใช้การใช้งานอะไรเราต้องตรวจตราแล้วก็ติดตามว่าเขาทำงานไปนั้น อ, ะอ่ะ มันเหมาะสมไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมจะเดือดร้อนไหมไม่ใช่ว่าปล่อยขึ้นไปแล้วก็เฉยแต่คณายนายอุทยานเขาก็เขาก็ดูอยู่นะเขาก็ร อ, รอบครอบอยู่ให้ตักให้ดูทำให้ดูแต่เลงนั้นมันฉลาดกว่านายเลมันเถกทำเกินกว่าทำเกินกว่าที่นายสั่ง ทางว่าทำตามที่นายสั่งมันก็ดีอันนี้เนี่ยมันฉลาดกว่านายท่านเลยความฉลาดจนนั่นนหละคือความโง่ของลิงแต่จะทำยังไงได้มันเพราะปัญญามันได้เพียงแค่นั้นแต่ถึงยังไงทางว่าเราเป็นค น, เ, นเวลาทำไปแล้วมันก็ต้องกลับมาดูอีกมันดูกลับมาดูอีกออปล่อยให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งทำงาน ลูกน้องบริวารถ้าทำได้อย่างนั้นแปลว่าเรารอบครอบการงานก็นไม่เสียเกิดประโยชน์นี่แหละเรียกว่าชาดกหรือ น, นิทานที่หลวงพ่อสาธกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยวันนักกษัตย์อย่างนี้ล่ะวันเดือนสิบสองเพนทั้งนายอุทยานทั้งลูกน้องก็อยากจะไปชม ไปเที่ยวงานแต่ตามไม่จริงถ้านายอุทยานฉลาดของหัวหน้าถึงไงเราก็ต้องอยู่ใช้ลิงไปเถอะดูแลลูกน้องไม่อยู่ก็ให้ลิงทำงานแทนหัวหน้าอยู่ต้องเสียสละซะหรือว่าจะให้ลูกน้องใครผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลก็ให้รางวัลพิเศษขึ้นมาให้เหนือรางวัลแพงๆเราก็ให้คนหนึ่งดูแลเฝ้าดู อย่างนั้นมันคงจะไม่มีนิทานเป็นมากระทั่งทุกวันนี้ที่เป็นนิทานทุกวันนี้ก็บพ่อนะนี่ยต่างคนก็ต่างไปปล่อยปลาละเลยให้คนโง่ทํางานที่ว่าให้หลิงทํางานก็เลยเกิดความเสียหายจนเป็นนิทานชาดกขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเนี่แหละที่หลวงพ่อได้สาธกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันมันทันสมัยอยู่ตลอด แต่การดูแลประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันแต่ที่เป็นผู้ใหญ่เราจะไปมอบความไว้วังใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งพอเขาทำเข้าไปก็เกิดความเสียหายกับประเทศชาติกับวงะกุลกับสำนักงานกับวัดปราศาสนาเป็นได้ทางนั้นแหะพ่อเหตุใเพ่อว่าเขาขาดความรอบครอบปัญญาเขาเพียงแค่นั้นปัญญาเขาเพียงปัญญาลิงเราก็ไปมอบความไว้วังใจ แล้วนี่นความเสียหายเกิดขึ้นมาผู้เป็นหัวหน้านายอุทยานกับมือกายหน้าผากอะไรท่ี่โอ้ตาตะตาตายเรานี่โง่ออไปละใช้งดใช้เงินใช้คนไม่ถูกกับงานเราใช้ลิงมาทำงานาผลมันออกมาเนีเอยทำให้ในายอุทยานทุกใจเหมือนกันนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของโลกการที่อยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันการงานที่ประสานกันอันนี้ก็คือถ้าจะจัดเป็นหมวดของการอยู่ด้วยกันก็คือความพร้อมเพียงสามัคคีหมวดสินจัดว่าเป็นหมวดสินการอยู่ด้วยกันการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ให้มีปัญหา ดูด้วยความเรียบร้อยราบรื่น อ, อันนี้จัดเป็นหมวดสินแต่หมวดที่สมาธิคือแนวความคิดอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคณะทศาญาิโยมพระเนนลูกหลาน เ, เราจะคิดยังไงเป็นจะเป็นมิตรสาทิติคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเราถ้าคิดยังไงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบมีกี่ขั้นตอนโอ้มีมาก เห็นชอบในการทำมาหาเลี้ยงชีพเห็นชอบในการอยู่ด้วยกันความพร้อมเพียงสมัครใเห็นชอบในหน้าที่การงานเห็นชอบในวิชาสำมาชีพเห็นชอบในวิธีเห็นชอบในการพูดแสดงออกมันมีเห็นชอบหลายเหลือเกินในการเห็นชอบแต่ตามเห็นชอบในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นชอบมันเห็นชอบมันสูงสุดที่จะทำยังไงจะว่าเห็นชอบมันสูงสุดคือชําละ อิเลโลภโกรธหลงออกจากจิตใจอันนั้นแปลว่าเออความเห็นอันสูงสุดของพุท ธ, ธาศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าออที่ท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนอันดับแรกกทำจิตใจให้สงบพอจิตใจผ่านความสงบ จ, จิตใจเป็นหนึ่งเกิดย า, ดยานาระนะออจากนั้นก็ อย่างกําหนดดูอีกดูสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเรามีอะไรบ้างที่จะปรับปรุงแก้ไขมันเป็นมาจะเป็นไปยังไงจุตูปะปาตยานผลที่สุดมอมอย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจอีกทีนี่เรื่องทั้งหลายออกไปจากเราเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไร ตัวของเรามีอะไรบ้างจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ดูใจของตนเองพอดูใจของตนเองเรู้เลยว่าใจของเราเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมที่มันเกาะติดอยู่จิในจิตใจทำให้จิตใจลุ่มหลงหมัวเมาจิตใจกระสับกระสายจิตใจที่มันไม่เที่ยงตรงก็คือกิเลสกิเลสคือความนึกคิดตัวนีแหละกิเลสราคะ ออกมามันเป็นยังไงกิเลสโทสะมันออกมาเป็นยังไงกิเลสโมหะมันออกมาเป็นยังไงพระพุทธองค์หมองรู้เลยตะกูลใหญ่ๆคือตุกูลกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะแล้วจะกําจัดมันด้วยอย่างไรท่านก็ใช้ตปัตธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสำ ม, มาติฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นปริโยสันขั้นสุดท้ายมรรคแปด มากันกลองไตรตรองใช้ฟืนแปดดุลใช้ฟืนแปดดุนเผาเข้าไปกำจัดออกกิเลสราคะการะเด็นออกไปกำจัดด้วยเมตตาธรรมกิเลสราคกิเลสราคะพิจารณาด้วยอสุภะปฏิกูลกิเลสโทสะบำเพ็ญด้วยเมตมตากิเลสโมหะ ใช้ปัญญาพิจารณาการกรองหลงอะไรใช้ปัญญาพิจารณาคบคบถวนกันกรองในรายละเอียดหลงอะไรหลงตัวเองหลงกายหลงหลงใจผลในสุดก็ดูที่ใจหลงอะไรท่านก็ชำระที่ใจใจของท่านกับบริสุทธิ์กิเลส กรเด็นกระดอนออกจากใจใจอันนั้นก็เป็นใจที่บริสุทธิ์แต่ก่อนมันมีแต่กิเลสมันลุมมันตุ้มเกาะเหมือนกับสนิมเกาะเหล็กลักษณะอย่างนั้นนะแต่คราวนี้ท่านชําระเอาสนิมออกจากเนื้อเหล็กวิธีการชําระธทำยังไงก็เหมือนนักวิทย า, าศาสตร์เขาชําระสนิมออกจากเหล็กจนกลายจนกลายเป็นเหล็กจะเต็มเล็ดลักษณะอย่างนั้นแหะ เขาก็มีกรรมวิธีของเขาอันนี้พระพุทธเจ้าท่างมีกรรมวิธีของท่านที่ชำะระพัยใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ไม่มีสนิมแม้แต่น้อยเดียวจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพน้นท่านประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราสิ่งที่เราจะให้พาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการนั้นเรากาจัดออกแล้วคือกิเลส ราคะโทสโมหะเนี่ยแหละพาบุญพาจิตใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่พระองค์ท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นท่านจึงชําระได้แล้วคนนั้นประ ก, กาศพระองค์เลยในวันเดือนหกเพนจากนั้นท่านเมื่อประ ก, กาศพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนพระธรรมคือขับสอนของพระองค์ออกมา ยกตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาทีนี่ท่านรู้จะก่อนท่านเห็นจะก่อนท่านใจตัดจะรู้จะก่อนจากนั้นท่านยังนำพระธรรมคำสอนออกมาบัญญัติออกมาการอยู่ด้วยกันควรทำยังไงควรเสียสละยังไงอันนี้คือฐานะการเป็นอยู่ศีลคือการอยู่ด้วยกันจะทำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้เบียดเบียนจึงกันละกัน อ่อันนี้ก็คือพระองค์ก็ออกเป็นคําสอนเลยจากนั้นออกมาจากใจขององคโอ๋ทุกคนถึงจะทําอยู่ด้วยกันขนาดไหนก็เถอะปกครองมีความสุขขนาดไหนก็เถอะแต่ต้องดูที่ใจนะใจของร้อนมันลุ่มหลงมัวเมานะเพราะใจตอนนี้มันกลับกรอกหลอกลวงได้ง่ายเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายชําระใจนะนี่แหละท่านก็สอนให้มาชําระใจให้ภาวนาเถอะนะ ไม่มีอันไหนที่จะยิ่งกว่าสติสัมปะชัญญะคือภาวนาถ้ามีสติสัมปะชัญญ ะ, นะ ะ, ะแล้วกันกลรองไตรตองเหตุและผลเพราะเรามีสติมีสติมหาสติมหาปัญญาที่องค์หลวงตาเคยเล่าเคยพูดจิตปัญญาไม่เคยเผลอแม้แต่น้อยเดียวสติไม่เคยเผลอแม้แต่น้อยเดียวที่จะกำจัดกิเลสแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้น สติของเราก็ขาดปัญญาของเราก็อ่อนสติของเราก็นุเออหน้าอากอ้าปากเวมแมลงวานบินเข้าปากก็ยังไม่รู้เออพอมันไม่มีสติก็ทั่งเอามือตบหลังเ อ, อื้อกยังค่อยสํานึกตัวได้ข้านั่งอยู่ที่ไหน <c oughs> โดยมากมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นต้องฝึกไว้นะถึงจะเป็นอย่างขนาดนั้นก็เถอะถ้าเรามีความใส่ใจมีความตั้งมั่นมีความพยายามอยู่ สติของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เรามีความพยายามถ้าไม่มีถ้าไม่มีความพยายามไปอย่างวาดนะปล่อยปะละเลยก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็มันสติมันอ่อนสติมันขาดขา ด, ขาดสติเลยผู้ที่ปฏิบัติธรรมในเรื่องสติสัมปชัญญะเ ป, เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราแนวหนึ่งนะแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พิธีการภาวนาที่หลวงพ่อเคยสอนอยังไงพวกเราก็ได้ฟังกันแล้วหมดมีหน้าเก่าๆทั้งนั้นในวันนี้นะและตอนนี้ไปให้ครูบาเปิดเอ m p สามให้ฟังออกสักกนันหนึ่งกันหนึ่งนูนะเพื่อเป็นการทบทวนดูเอ3สาที่อันไหนที่การที่เหมาะ เพราะว่า MP 3, ็มพสามฮะเราจะไปเปิดสุมสี่ชุมห้าก็ไม่ได้คูบาที่ท่านได้ตรวจเช็คดูว่ากันไหนที่จะเหมาะในการแสดงธรรมในวันนี้ท่านก็จะได้เลือกสรรมาเปิดให้พวกเราได้ฟังแต่หลวงพ่อได้ฟังทุกกันที่ผ่านๆมาที่คูบาได้จัดสรรหลวงพ่อก็ใช้ได้นะให้เข้ากับเหตุการณ์ในวันนั้นๆที่พวกเราได้ฟังแต่วันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันนะ เอาครูบาเปิดฟังแล้วนะอีกฟังสักกันอานั่งสมาธิเลยนะที่นี่นะ